ฮัตรู้บ่อยๆสติมันจะเร็วขึ้นเลยได้เวลาเราฮัรู้จิตไม่เห็นสภาวะมีจิตจำสภาวะได้แนละ้วสติมันเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องอนดูแล้วดูอีกดูเอาสินะอย่าเขา้าข้างตัวเอง มีกิเลสอะไรเกิดเลาค่อยรู้เอาแล้วก็ดูไปทุกคราวที่กิเลสเกิด น, นะสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์แล้วดูไปแร่มัมนทําความทุกข์ให้เราเรามาัากจะไปโกรธคนอื่นว่าทําให้เราทุกข์นาไปดูให้เดีกิเลสทําให้เราทุกข์ดูให้เห็นโทษของ ม, มันถึงจะยอมละ เห็นโทษของกิเลสอย่าเรามีกามา ก, เกามมา็เห็นโทษของกามมีโทสะเห็นโทษของโทสะเนี่ยละไปละเองตังๆลมมันดังเอเนาะเสียงเราก็ดัง <S <S อะไรนะ เรียนรู้ตัวเองนะคัดเกล้าตัวเองอะไรที่ไม่ดีก็ลดละเะียอย่างพื้นเดิม ใ, ใจมันฟุ้งซ่านเป็นพื้นจิตของเรา ใ, ใจมันชอบฟอุ้งซ่านก็อย่าไปพามันฟุ้งซ่านมากกว่าเก่านะพวกเราบางคนให้ชอบเที่ยวโ น, น้นเที่ยวนี้เที่ยววัดโ น, น้นวัดนี้ฟุ้งซ่าน การปฏิบัติไม่มีที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ที่ไหนทเท่าสหร่อยู่ที่ตัวเองนะย้อนมาดูตัวเองทั้งบันไปมีแต่ความน่าสลดสลังเวชไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไร וה. ดูไปๆยังเพียงอยู่ blues. ตัวรู้ว่ามีแต่เราประคองตัวรู้ไห้จะจะทื่อๆ ถ, ถ, ถ้าเราไม่ได้ประคองตัวรู้นะเดี๋ยวมันก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวชิดสลับกันไปเรื่อยๆประคองไว้รู้ได้ทั้งวันทีเราอยากดีอยากปฏิบัติเห็นตรงนี้ไหมเหน็นอล้วหละไปดูตัวเนี้ย มันอยากดีอยากปฏิบัติมันก็นำไปสู่การประคองเวลาที่ต้นเหตุก็คือตัวอยาก ใ, ใจมันไม่ได้อยากปฏิบัติไม่ได้อยากดีมันก็ไม่เพ่งด้านโทสังันหงุดหงิดเออด้า น, นาหารดูกิเลสไปอย่าไปประคองตัวรู้ให้นิ่งนะกระทบอารมณ์ไปแล้วก็เห็นกิเลส ราคาบ้างอย่างอยากดีโทษาบ้างหุดหงิดที่มันไม่ดีดูอย่างนี้ไปยังบุ้งอยู่สมาธิยังไม่พอนะจิตยังไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นยาในใหายใจไปพุทโถไปหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ทําไปเถอะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง ทำไปเรื่อยๆแล้วจิตเนี่ยค่อยมีกำลังค่อยตั้งมั่นสงบขึ้นมาไปฝึกบียังไม่พอมีอะไรนะอ๋อได้ยอะวมีโทสะฟังยูทูปเพื่ภาวนาไป ไ, ไหนๆก็อยู่ในยนะูทูปแหละไม่อยู่ที่อื่นหรอก รู้สึกตัวอย่าใจลอยจุดตั้งต้นของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวใจล่องลอยตอนนี้ใจลงไปคิดแล้วใจลงไปคิดไม่มีกายไม่มีใจเหลือแต่เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียก อ, อารมณ์บัตยัดไม่มีจริงคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้คิดอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง กายเด้เป็นของจริงใจได้เป็นของจริงเรียนลงมาที่กายที่ใจนะต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงนะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้เราจะได้ธรรมะขั้นแรกพาวนาต่อไปดูกายดูใจต่อไปมันจะแจ้งขึ้นมาว่ากายมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษจิตมันจะวางกายจะวางแมันจะรวมลงที่จิต ภาวนาไปเห็นจิตเห็นก็เป็นตัวทุกข์ก็วางจิตเห็นทุกข์เราถึงจะวางไม่เห็นทุกข์ไม่วางนี่ยังจะไล่กิเลสก็ดูเห็นทุกข์เพราะกิเลสหันใหม่บางทีเราจะเห็นจิตวางอารมณ์เคยเห็นไหมจิตวางอารมณ์เรายังไม่เคยเห็นจิตวางรูปนามกายใจตัวเองไม่เห็นบางคนเห็น มันวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบหัดแรกๆจะเห็นฉิดวางอารมณ์เดี๋ยวก็ตะครุบอารมณ์มันใหม่มาเดี๋ยวก็ทิ้งอารมณ์มันเก่าไปหยิบขึ้นหยิบลงเรื่อยเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวก็ปล่อยไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นจุดตั้งต้นที่เจริญปัญญาภาวนามากเข้ามากเข้านะมัเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นความจริงนี่มีสามขั้นตอน ปัญญามีสามระดับอย่างพระโสดาบันนี่มีศีลสมบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยที่เราไม่ได้โสดาบันนี่ปัญญาอ่อนเลยละปัญญาน้อยๆมากๆเลยโสดาบันมีศีลที่ดีไม่ได้จะทำผิดศีลนะแล้วอายใจไม่ลกล้าทำ มีสมาธิเล็กน้อยก็คือมีจิตใจเหมือนพวกเราเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอทั้งวันใช้ไม่ตั้งมั่นหรอกเดี๋ยวแวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบไปพนะระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่เห็นความจริงเมื่อตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยโสดาหเห็นแค่เนี้ าอนาไปพระแท้สกิทาคานศีลสมบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิดีขึ้นเนี่สมาธิปานกลางไหลแว บ, บแล้วรู้สึกเลยของเราแว บ, บเย็นเลยยังไม่รู้สึกเลยบีเนี่ยสมาธิอ่อนที่สุดเลยนะพะโสดาเนี่มันจะไหลไปช่วงหนึ่งแล้วค่อยรู้สึกไหลไปช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกพวกเราไหลทั้งวันบางทีไม่รู้สึกบุทุช น, น สวดาไหลไปสักพักหนึ่งรู้สึกทุกที่ได้สกิทาคาเนี่ยจิตมันเร็วขึ้นไหลไปแป๊บมันรู้สึกแปบมันรู้สึกเลยนะงั้นเวลาขาดสติเนี่สั้นลงสั้นลงสมาธินี่เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่สมาธิไม่ได้เกิดยาวนะเกิดถี่พราะไหลหลงไปปุ๊บรู้ปั๊บใจก็ตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกเพราะงั้น พระเสกิธาคาเนี่ยได้สมาธิปั่นกลางหลงไม่นานไหลไม่นานแล้วรู้สึกแต่ว่าปัญญ า, า, าก็ยังเล็กน้อยยังเห็นอยู่แค่ว่าตัวเราไม่มีพอนาไปเพอได้พระนาคาเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์มาแต่โสดาแนละ้วสมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางสมาธิเต็มนละ้วปัญญานะ่ะเสืนยกระดับ สมาธิสมบูรณ์เป็นไงสมาธิสมบูรณ์ก็คือใจมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มันไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายแต่มียังหลงทางใจอยู่ยังหลงทางใจได้อยู่ให้มีตัณหามีราคะละเอียดรูปราคะรูปราคาจะจิตยังหลงไปพวกนี้แต่ไม่หลงในกามราคะ ยิ่งพวกเราอย่าลงอยู่ในการมราคะในกาบคุณหลงไปดูรูปดูรูปสะเพรินเลยลืมตัวเองฟังเสียงสะเพลิลเลยลืมตัวเองอย่านั่งฟังหลวงพ่อพูดเนะี่ยฟังไปฟังไปก็เพลินลืมตัวเองยังหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าสมาธิไม่บริบูรณ์ยังแพร่กามอยู่พระอาคามีไม่แพร่กามนะ้ว จิตไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภทะภาเหรือแต่หลงทางใจหลงคิดที่มีปัญญาปารกลางคือเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์โสดาสีทาคาเนีเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพระอนาคาคาเนีเห็นมากขึ้นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่เป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุก พอเห็นว่า ก, กายเป็นตัวทุกข์มันก็วางกายไม่ยึดกายแล้วถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นทุกข์มันจะวางครูบาอาจารย์ถือบอกเห็นทุกข์หรือเห็นธรรมนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมใจไม่วางพระอราหารนะันต์นีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ของพระอราหันต์นะมันบริบูรณ์เต็มรอบจริงๆก็ะทั่งหลงคิดยังไม่มีเลย เวลาจงใจคิดมีเวลาต้องตั้งใจคิดมีแต่อยู่ๆจะคิดเพ้อเจอเลื่อนลอยเลยไม่มีสติมสมบูรณ์สมาธิมันสมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ปัญญาพระอรหันต์เนี่ยคือเห็นความจริงนะโสดาเห็นว่าจิตไม่ใช่เราพระอรหันต์เนี่ยเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์มันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรไม่เป็นตัวทุกข์ จิตก็ปล่ยวางจิตอย่างพวกเรายังไม่เห็นจิตวางกายจิตวางจิตเราเห็นจิตวางอารมณ์ดูไปจิตวางอารมณ์ก็รู้จิตตะครุบอารมณ์ขึ้นมาก็ทุ้รู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆแต่ไปจิตมันวางกายล้วก็จะรู้วางชั่วคราวหยิบขึ้นมาใหม่ก็มีจนกระทั่งได้อนาคาวางแล้วไม่หยิบอีกแล้วจิตวางจิต ปุถุชนบางคนก็เห็นจิตก็วางจิตแล้วก็หยิบใหม่เดี๋ยก็วางแล้วก็หยิบเดีย๋ยเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าตอนที่มันจะแตกหักเนี่ยมันวางจิตแล้วมันไม่หยิบอีกละมันมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งนะภาระให้เวปัญจคันธ า, ข, นาขันทั้งห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลทั้งหลายแบกของหนักพาไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง พระอริยะเจ้าคือพระรหันะหวางของหนักลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบช่วยขึ้นไม่สิ่งที่เป็นของหนักก็คือตัวจิตเรานี่หนักที่สุดเลยเคยเล่นยิงเขาว่าหนักใจไหมหนักจริงอนะ่ะหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักยิ่งกว่าลกทั้งโลกจิตตัวเดียวเนี้หยิบขึ้นมาแล้วมันหนักบาทีิท่นี้หนักไหม ยาทิชชู่หนึ่งแผ่นหนักไหมเออถ้าเราเทียบนะทิชชู่เบากว่าก็ทิชชู่ไม่หนักเราก็จะหยิบบางงานปล่อยบางงานแต่พระลระหันเห็นว่าขันนี้เป็นของหนักขันห้าเป็นภาระทิชชู่ก็หนักนะมันก็มีน้ำหนักถือไปเรื่อยๆก็เมื่อยเหมือนกัน งั้นพระอราหันเนี่ยจะวางขันลงไปแล้วแล้วก็ไม่หยิบขึ้นมาอีกท่านก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงต้อไปหาอนะ่านไปเซิร์ชกูเกิลดูไอ้บทเนี่ยภาราเวปัญจขันตาขันทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบบของหนักพาไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอราหันวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบช่วยขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์เฉยอะไร ชวยเอาจิตขึ้นมาอีกชวยเอากายขึ้นมาอีกนี่ถ้าเรหวางกายวางจิตแล้วเรยจะเจออะไรคนจีนจะรู้จักคำว่าพุทธาภาวะครูบาอาจารย์สายวัดปาท่านเรียกไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลีว่าจิตหนึ่งห่วงโป่ก็เรียกว่าจิตหนึ่ ง, วงวเ ว, งวลาง แต่ท่านพุทธธาตุเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จพญานาฏบอลเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่พุทธาเรียกว่าใจเดียวแล้วแต่จะเรียกมันเป็นคำสมบุติ์ท่านั้นที่จิตมันเป็นภาวะอันเดียวกัน เมื่อเราวางกายวางจิตแล้วได้เราจะเจอธรรมเจอธรรมะที่แท้จริงก็แล้วแต่จะเรียกชื่อเรียกสุญญาตาก็ได้จะเรียกพระนิพพานก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้เรียกพุท ธ, ธาภาวะก็ได้เวลาเราภาวนาจนแตกหักแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าใจเราเป็นพระสงฆ์แล้วะเต็มที่แล้วเป็นพระสงฆ์ ใจเรากรบพัฒรรม์เนี่ยรวมเป็นอันเดียวกันแล้วใจกับธรรมเป็นดวงเดียวกันเลยเวลาเร า, าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณมีปัญญาตต่สรู้ด้วยตัวเองเราตต่สรู้ด้วยตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณมีความการุณามากกว่าเรา เราไม่ได้มีความกรุณาเท่าพระพุทธเจ้าดันั้นจิตจะไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าแต่พอนึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์จิตเราจะรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าเลยงั้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นอันเดียวกันจิตกับพุทธภาวะรวมเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ทีนี้ก็ฟังไปก่อนเนาะไม่งั้นจะหาหมุมที่รวมเข้ากับพุทธภาวะไม่ถูก แต่ว่าถ้าภาวนาไปถึงจุดนั้นแล้วมันหาเจอเจอด้วยตัวเองตรงที่จิตรวมภาวพพระพุทธภาวะแล้วเีราจะพบว่าเราที่เคยเป็นเด็กหลงทางเรากลับบ้านได้แล้วเรากลับมาถึงบ้านเราแล้วทางจีงนเรียกสุขาวะ ด, ดีสุขาวะ ด, ดีไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่มีรูปธรรมนามธรรมอะไร ใจมเข้าถึงมหาสุญญตาเป็นอันเดียวกันรวมเข้าด้วยกันไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นบุคคลนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีช่องว่างไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติคือการเคลื่อนไม่มีการอุบัติคือการเกิด เดี๋ยวจะจเข้าถึงภาวะนี้ค่อยๆเรียดไปนะตอนนี้เราเห็นจิตเที่ยวไปยึดอารมณ์ก็รู้รู้ไปก่อนพอรู้แล้วก็ว่างมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงอารมณ์ไปยึดอารมณ์อีกพอรู้ว่าจิตไหลไปจับอารมณ์มันก็ว่างแล้วกลับมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวหยิบเดี๋ยวว่างเดี๋ยวหยิบเดี๋ยววางไปก่อนถึงนะจุดหนึ่งก็ยำได้ปัญญาขั้นต้นเห็นมว่าตัวเราไม่มี จิตจะทําอะไรทําของจิตเองเราบังคับมันไม่ได้มัน่อยๆดูไปคนจีนต้องรู้อย่างนะว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่วัดไหนทั้งสิ้นเลยอยู่ที่ใจเราเ ร, เรียนรู้ลงที่กายที่ใจของเราถ้าไม่ลงที่กายบอกว่าธรรมะอยู่ที่ใจใจมันอยู่ในกายยังหาใจไม่เจอมาดูกายไว้ก่อน พอผ่านกายเขา้เขาไปก็จะเห็นใจการทำมัอยู่ที่ใจลบเกิดหลงเกิดที่กายไหมลบเกิดหลงเกิดที่กายปะไม่เกิดเกิดที่ใจที่เดียวกุศลทั้งหลายเมตตากรุณามุ้ทตาอุเบกขาเกิดที่กายหรือที่ใจเกิดที่ใจฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเป็นกุศลทั้งหลาย เ, เกิดที่ใจกนะิเลสทั้งหลายก็เกิดที่ใจจะเรียนรู้ลงที่ใจนะจะเห็นสภาวธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายเราก็เห็นกุศลธรรมทั้งหลายเราก็เห็นจนะเฝ้ารู้ลงไปแล้ะตาไปโล ก, กุตรธรรมก็เกิดที่ใจโล ก, กุตรธรรมมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นหรอก เรียนรู้ลงมาที่ใจเลยอย่าไปเสียเวลากับเปลือกบางคนก็เสียเวลากับเปลือก น, ะนั่งขยับไม้ขยับมือคิดว่าขยับถูกแล้วจะได้ธรรมะขยับให้ตายก็ไม่ได้ธรรมะถ้าไม่ได้ใจตัวเองมาหลวงพ่ะเตียนสอนขยับเนี่ยนนะเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองนะขยับแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันใจไหลไปอยู่ที่มือก็รู้ทันใจลืมตัวเองก็รู้ทันท่านใช้คําว่าปลุกธาตรู้ ฝลกความรู้สึกตัวในที่ขยับเนี่เพื่อจะรู้สึกตัวนี้พวกเราขยับเอาเป็นเอาตายไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกหรือไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้ากิเลสบ้าอลไอยู่ที่เท้ากิเลสม่ได้อยู่ที่เท้ากิเลสอยู่ที่ใจยกไปยกไปได้แต่สมาธิดูท้องพองท้ อ, องยกกระทั่งท้องพุทโธท้องไม่เป็นมนเข้ามาไม่ถึงใจ ท่องพุทธโธไปร้องเพลงก็เหมือนกันแหละท่องกอเอ๋ย ก, กอไก่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ก็ได้เหมือนกันหมดนะให้อพุทธโธของพุทธโธให้ถึงใจใพุทธโธไปแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือพุทธโธเรารู้ทันอย่างนี้ถึงเรียกว่าพุทธโธเป็นขยับมือไปขยับเล่นๆไปไม่ต้องสิบสี่จังหวะก็ได้ขยับแค่นี้ก็ได้ขยับอย่างนี้ก็ได้หนาวๆนะ ขยับเงียเรารู้สึกเลยไอ้ร่างกายที่ขยับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของถูกรู้ขยับไปขยับไปแป๊บจิต น, นีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิต น, นีไปความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นอีกคอยรู้สึกอย่างนี้รูปแบบก็เปลือกแนนะไม่ได้แก่นแต่จะเอาแต่แก่นไม่มีเปลือกก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็ตาย มีแต่แก่นต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าต้องมีเปลือกรู้จักเลือกเปลือกแต่รู้ว่า น, นี่คือเปลือกการที่เรามีเปลือกเช่นให้ใใจเข้าพุให้ใใจออกโตดูท้องพองยุกขยับไม้ขยับมือเพื่อจะรู้ทันจิตเพื่อจะเอาแก่นไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับเดินสวยงามเดินสวยงามมาพวกทหารเดินแถวสวยกว่าเราเดินอีกเรียบร้อยพร้อมเพรียง เน้นทำให้มันได้แก่นของการปฏิบัติคือเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วจะเดินปัญญาได้ต่อไปจะเห็นความจริงอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไม่ใช่เรากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็วางเราจะเข้าถึงธรรมธาตุเข้าถึงสุญญาตาอ่อันไปทั้งหมด